โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบค้นคว้าเรื่องราวเก่าๆมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างวันก่อนค่ะก็ไปบ้านเพื่อนที่ชอบพอกันบ้านของเขาเป็นบ้านเก่าๆที่เคยมีคุณปู่เป็นคุณพระแล้วก็อยู่ในที่ดินที่ตกทอดกันต่อๆมานะคะบ้านเขาก็จะมีห้องสมุดใหญ่ๆมีหนังสือเก่ามากมายหลายครั้งที่ตัวของบีเองก็ไปค้นหรือว่าไปหาอะไรไม่ได้ก็มักจะไปพึ่งพาห้องสมุดของเขานี่แหละ อย่างวันก่อนนี้ก็มานั่งคุยกันเล่นๆที่บ้านข่าวา่าก็พากันเข้าห้องสมุดดูหนังสืองานศบรุ่นเก่าๆที่คุณพ่ อ, องเขาสะสมเอาไว้มากมายเลยก็รับมาพลิกดูหลายๆเล่มก็ไปเห็นเรื่องราวแปลกๆเรื่องหนึง่งน่าสนใจดีค่ะก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะซึ่งเรื่องที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องหนังสืองานศนัยเชื้ออาพุธนาถเมื่อปีพุท ธ, ธศักราช2495 เป็นเรื่องราวที่พูดถึงบางลาพูนะคะเรื่องนี้ B ก็จะขออนุญาตนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันเป็นเรื่องของประวัติแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของบางลาพูบางลาพูที่ว่านี้เนี่ยบริเวณนั้นเคยเป็นทุ่งกว้างแล้วก็มีกาแพงเมืองแล้วก็ป้อมพระสุเมนด้วยแล้วก็มีวังอยู่นะคะก็คือกรมวังหลวงจักรเจษดาพระอนุชาในรัชกาลที่หนึ่ง มีกำแพงยาวไปจรดกันกับประตูเมืองละแวกวัดบวร น, นิเวศนะคะที่เวลานั้นยังไม่ได้สร้างบ้านเรือนเถวแถวนั้นแล้วก็เหตุที่ละแวกนั้นชื่อบางลําพูเพราะว่าที่นั่นเคยมีต้นลําพูขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ริมแม่น้ํามากมายเลยค่ะมากขนาดไหนก็มากขนาดที่ว่าคนเรือพายเรือผ่านมาในเวลากลางคืนก็เห็นได้ทันทีนะคะว่าเข้าเขตบางลําพูแล้วเพราะว่าแถวนั้นจะสว่างสวัยไปหมด เพราะว่ามีหิ่งห้อยที่ต้นลําพูนับหมื่นตัวส่องแสงสว่างแพรวพาวไปทั้งลําต้นค่ะก็เลยทําให้ละแวกนั้นเรื่องชื่อลือชาว่ามีต้นลําพูอยู่มากมายความในหนังสืองานศพนั้นว่าไว้อย่างนั้นนะคะแล้วก็บอกว่านั่นคือที่มาที่คนในสมัยก่อนเรียกสถานที่ในละแวกนั้นว่าบางลําพูเนื่องจากว่ามีต้นลําพูขึ้นอยู่มากมาย ถัดมาในภายหลังนะคะเมื่อมีการสร้างป้อมสร้างกำแพงเมืองขึ้นผู้คนก็เริ่มอาศัยอยู่แต่ว่าถึงอย่างนั้นละแวกบางลำพูเนี่ยก็ยังคงมีต้นลำพูอยู่มากมายซึ่งหลายครั้งที่ชาวเรือขนซุงเที่ยวล่องจากปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ได้ใช้สัญญาณไฟจากหิ่งห้อยเนี่ยเป็นจุดสังเกตเพราะว่าพอเห็นแสงจากหิ่งห้อยที่อาณาบริเวณบางลาพูก็จะรู้ทันทีนะะว่าจวนจะถึงท่าเตียนแล้ว ซึ่งในสมัยนั้นเขาขนสุงขึ้นล่องกันตามลําน้ําแพรซุงหรือว่าแหล่งขายฟืนขนาดใหญ่ก็จะอยู่ที่ปากน้ําโพจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะเรื่องแพรซุงแล้วก็เรื่องขายฟืนที่ปากน้ําโพเนี่ยในหัตสนิยายชุด3เกลอผลนิกรกิมหนวนของปออินทรป า, าลีศก็ยังอุปโลกให้ลุงเชยจอมเชิมแล้วก็ขี้ตืดเป็นหนึ่งในสมาชิกพลพรรค3เกลอแล้วก็เป็นพ่อค้าฟืนจากปากน้ําโพเลยทีเดียว กลับมาพูดถึงเรื่องของต้นลําพูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังย้อนหลังกลับไปจากนี้นะคะในราวๆปีพุทธศักราช2534ซึ่งตัวของผู้เขียนเองนะคะเขาก็ได้บอกว่าเขาเพิ่งจ ะ, ะเรียนจบมาใหม่ๆแล้วก็เพิ่งจะเริ่มทํางานค่ะเขาบอกว่าจําได้ว่าก่อนที่จะเริ่มทํางานประจําอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้ช่วยเพื่อนที่กําลังฝึกงานกับทางบริษัทที่จัดสร้างสารคดีอ่ออากาศทางโทรทัศน์บริษัทนึง บริษัทนี้ได้คนเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับบ้านเมืองของเรามาทาเป็นรายการสารคดีออกอากาศทางโทรทัศน์นะคะซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีกระทรวงวัฒนธรรมยังไม่มีการรื้อฟื้นเรื่องของเก่าของแก่หรือว่าจะมีผู้คนสนใจตามรอยตามอาดีตอะไรกันแบบในปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็ผู้คนในยุคยุคนั้นยังไม่ค่อยทวินแล้วก็หัวหาอาดีตเชกเช่นผู้คนในยุคปัจจุบัน บุคคลที่เป็นหัวหอกแล้วก็ค้นคว้าเรื่องราวต่างๆในอดีตในยุคนั้นมีอยู่ไม่กี่ท่านก็จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเช่นอาจารย์สอพลายน้อยอาจารย์ประยูนอุลุชาติหรือแม้แต่คุณอนเนกนาวิกมูลนะคะที่เวลานั้นเพิ่งจะเริ่มเป็นที่รู้จักเท่านั้นเองยังมีอีกหลายท่านในเวลานั้น แต่ก็ยังไม่ค่อยมีผู้คนสนใจค้นคว้าแล้วก็ติดต่อค้นเรื่องเก่าๆจากพวกท่านซึ่งเรียกว่าเรื่องอดีตแล้วก็ตำนานรวมไปถึงประวัติศาสตร์ของเก่าของแก่ต่างๆยังไม่มีใครสนใจในระยะนั้นนะคะตัวของผู้เขียนเองเรียกว่าสนใจเรื่องเก่าๆบ้างแล้วแล้วก็เพราะว่าคณะที่เรียนมาแล้วก็วิชาที่ว่าด้วยศิลปะก็เลยทาให้สนใจเรื่องราวเหล่านี้นะคะ จนมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่ทางพวกเพื่อนๆผู้เขียนได้ถูกว่าจ้างให้ตามไปค้นเรื่องราวของบางลําพูสมัยนั้นยังใช้พอสำเพอเป็นตัวสะกดนะคะไม่ได้ใช้พอพานสะกดเหมือนณนะปัจจุบันนี้เขาบอกว่ามีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยววันนี้บีจะมาเล่าให้ฟังจําได้ว่าเราตามค้นเรื่องเก่าๆได้บ้างแต่ว่ายังมีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือต้นลําพูค่ะต้นลําพูที่ว่าเป็นชื่อที่มาของตนนําบลนี้แล้วก็เป็นพันุไม้ที่ เคยมีอยู่มากมายที่ตำบลบางลำพูแห่งนี้ค่ะดังนั้นเราก็เลยต้องสำรวจกันว่าในเวลานั้นจะยังมีต้นลำพูหลงเหลือกันอยู่อีกหรือไม่เพราะว่าตามเรื่องราวที่เราค้นหามาเราก็รู้รนะฮะว่าต้นลำพูเป็นพืชที่ชอบขึ้นอยู่ตามริมน้ำแล้วก็ต้องอยู่บริเวณน้ำที่สะอาดด้วยนะไหลแล้วก็ถ่ายเทได้สะดวกอีกทั้งต้นลาพูที่ว่านี้ค่ะก็เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงชนิดหนึ่ง ซึ่งแมลงชนิดนี้ก็เป็นตำนานที่เกี่ยวกับต้นลําพูซะด้วยแมลงที่ว่าคือหิ่งห้อยนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเออถ้าสามารถหาต้นลําพูเจอก็น่าจะเจออะไรอีกหลายๆอย่างในวันนั้นและครั้งนั้นนะคะเราก็เริ่มต้นหากันตั้งแต่ถนนตรงพระสุเมนคือต้นช่วงต้นตีนสะพานพระปิ่นเกล้าอะค่ะฝั่งพระนครเราก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็สอบถามมาเรื่อยๆผู้คนแล้วก็ชาวบ้านในเวลานั้น ก็ยังไม่พบว่ามีใครที่จะรู้จักลำต้นแล้วก็หน้าตาของต้นลำพูเลยสักคนสมัยก่อนต้นลำพูอาจจะไม่มีในละแวกนี้มากมายเหมือนณบัดนี้นะคะเวลาก็ผ่านไป200ปีเสร็จแล้วล่ะค่ะต้นลำพูที่เคยมีอยู่มากมายกลับไม่เหลืออยู่เลยมันแทบจะไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วเราเดินตามหารอยแล้วก็สอบถามทั้งสถานที่ราชการและร้านค้ารวมไปถึงบ้านคนในละแวกนั้น ก็ไม่มีใครเคยพบหรือว่าเคยเห็นหน้าตาของต้นลำพูมาก่อนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากค่ะสำหรับพวกเราเข้าไปอีกเพราะเราเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นหน้าตาแบบไหนแถมว่าเวลานั้นผู้คนก็ยังไม่เหอะไปค้างอ้างแรมดูหิงห้อยหรือว่ามีการจัดทริปทัวร์กันแบบสมัยนี้นะคะดังนั้นเรื่องของต้นลำพูก็เลยเป็นอะไรที่มืดมนสาหรับพวกเรามากๆ โดยที่ผู้ที่เขียนหนังสือเล่มที่บีไปข้นเจอมานะคะเรื่องเก่าๆเรื่องนี้ท่านบอกไว้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยบริเวณป้อมพระสุเมนยังไม่ได้เป็นสวนสันติชายปราการที่สวยงามใหญ่โตแบบนี้นะ ซึ่งก่อนหน้าจะเป็นสวนสันติท่านบอกว่าบริเวณนี้เป็นโรงสีมาก่อนค่ะซึ่งท่านบอกว่าจําได้ว่าตรงนี้เป็นโรงสีใหญ่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะว่ามีเรือกลนไฟขนเข้าเปลือกแล้วก็ไม้ล่องมาตามน้ําแล้วก็มาขึ้นที่โรงสีแห่งนี้นะคะสมัยนั้นป้อมพระสุเมนแล้วก็อาณาบริเวณนั้นไม่ได้งดงามตาแบบนี้ตัวป้อมแทบจะถูกทิ้งเอาไว้เฉยๆเพราะว่าหลังจากงานสมโภชกรุงรัตนโกศิลป์สองร้ปีแล้ว ก็ไม่ได้มีการเหลียวแลหรือว่าสนใจอะไรอีกเลยค่ะดังนั้นป้อมพระสุเมนในเวลานั้นจึงมีแต่ตะไคร่น้ำขึ้นแบบเขียวปิดเลยทีเดียวแล้วก็จับไปทั่วตัวป้อมจนดูสกรปรกไปหมดข้างๆป้อมพระสุเมนก็เป็นสะพานหงอุทิตค่ะที่จะเข้าไปวัดสังเวทวิษยารามแล้วก็ที่วัดสังเวชวิษยารามแห่งนี้ ใครที่เคยชื่นชอบหัดสนิยาย3มเกลอชุดพลกรกิมหนวนก็จะรู้ดีนะคะว่าครั้งหนึ่ง3มเกลอเนี่ยเคยมาขโมยศพไอ้ดำปลอดที่วัดแห่งนี้นี่เองซึ่งปออินทรปาลิตใช้วัดสังเวชแห่งนี้เป็นฉากฉากหนึ่งในนิยายเรื่องนั้นนั่นเองค่ะแล้วก็ติดติดกันตรงปากทางก็จะเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ท, ที่มีอาคารเก่าแก่พอๆกันเนี่ยนะคะ ซึ่งคนที่เขียนเรื่องที่บีไปค้นเจอมาเนี่ยท่านบอกว่าจะมีบ้านเก่าๆตรงมุมโรงเรียนช่างพิมพ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของสกุลดุริยะบรณีตหรือว่าสกุลดุริยาบรนมาก่อนและครั้งนั้นก็เลยลองไปถามเรื่องต้นลําพูจากคนเก่าแก่แถวนั้นจนมีคุณยายคนนึงค่ะ ที่ท่านไม่ยอมบอกนามของท่านเพียงแต่ท่านเล่าให้เราฟังบอกว่าโอ้ยเมื่อก่อนที่นี่นะต้นลำพูมีมากมายจริงและมันก็ถูกตัดไปเรื่อยๆพร้อมๆกับอาคารแล้วก็ตึกรามบ้านช่องที่โผล่ขึ้นมาแทนต้นลำพูจนต้นลำพูนี่หายหมดไปในที่สุดจำได้ว่าเวลานั้นพวกเรารู้สึกว่าถ้าจะมาถึงทางตันกันแล้วเพราะเราคิดว่าอย่างน้อยๆในชุมชนนี้ก็น่าจะมีต้นลาพูหลงเหลืออยู่บ้าง แต่พอมาฟังคุณยายท่านนี้พูดเราก็แทบจะหมดหวังกันเลยทีเดียวแต่ขณะที่ท่านกาลังพูดคุยกับเราอยู่นะคะก็มีคุณลุงอีกท่านหนึ่งค่ะเดินเข้ามาบอกว่าต้นลําพูยังหลงเหลืออยู่แล้วก็อาจจะเป็นต้นสุดท้ายก็ได้อยู่แถวนี้แหละและท่านก็บอกว่ามันอยู่ในโรงสีแห่งนั้นอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะครั้งนั้นเราก็เลยขออนุญาตเจ้าของโรงสีแล้วก็สอบถามถึงเรื่องต้นลาพูท่านเจ้าของก็ เมตาบอกนะบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ต้นลำพูหรือเปล่าแต่ว่ามันมีต้นไม้ที่ว่านั้นอยู่จริงนะอยู่ทางด้านหลังของโรงสีของเขานั่นเองว่าแล้วก็เดินนำหน้าพวกเราไปเลยค่ะไปดูแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นต้นลำพูแล้วก็ยืนชื่นชมอยู่นานแล้วก็พิจรารณาทั้งรายละเอียดเอาไว้ต้นลำพูเนี่ยจะว่าไปก็ คล้ายๆกันกับพืชป่าชายเลนทั่วไปนะคุณผู้ฟังคล้ายๆกับต้นแสมหรือว่าต้นโกงกางมากเลยค่ะรอบรอบต้นจะมีรากที่แทงขึ้นมาจากดินเพื่อใช้หายใจเหมือนแสมแล้วก็โกงกางหรือว่าพืชตระกูลนี้เป็นไม้เนื้อแข็งใบเล็กๆห่างดอกเหมือนดอกสาระนะคะแต่ว่าเล็กกว่ามากค่ะมีผลที่มีลักษณะเหมือนขนมฝักบัว นั่นก็นับเป็นครั้งแรกจริงๆที่เราได้เห็นพืชชนิดนี้เราก็ขอบคุณท่านเจ้าของโรงสีแล้วก็ออกมานะคะวันนั้นงานของเราสำเร็จลุล่วงลง เกือบ20กว่าปีให้หลังผู้เขียนกลับไปที่นั่นอีกครั้งปรากฏว่าเวลานี้ทุกๆอย่างที่นี่ถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วทางกทมในสมัยคุณพิจิตรรัตนกุลเป็นผู้ว่าได้สร้างทางเดินเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นซึ่งเราก็สามารถเดินได้ตั้งแต่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าเรื่อยมาค่ะทางด้านหลังอาคารริมถนนพระสุเมนฝั่งติ ด, ดริมแม่น้าและสามารถเดินมาจนถึงป้อม ป้อมพระสุมเมนเดี๋ยวนี้ก็ถูกปรับแต่งภูมิทัศน์ใหม่เป็นสวนสันติชัยปราการเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งในบริเวณนี้ป้อมพระสุมเมนได้รับการดูแลอย่างดีมีประวัติและก็ป้ายบอกไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทางด้านหลัง ต้นลำพูต้นสุดท้ายที่เคยอยู่โรงสีแล้วก็ไม่เคยได้รับการดูแลบัดนี้ทางการได้อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ถือว่าต้นลาพูต้นนี้เป็นต้นไม้อนุรักษ์และเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์คู่กับประวัติของตำบลบางลาพูแห่งนี้และจากนั้นมานะคะก็มีรายการโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการทีวีเยอะแยะมากมายมาตามหาต้นลาพูแห่งนี้จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วนะคะ น่าดีใจนะคะคุณผู้ฟังที่ปัจจุบันนี้ผู้คนในบ้านเราหันมาสนใจรักแล้วก็อยากรู้ประวัติของตัวเองมากขึ้นซึ่งเรื่องตรงนี้ค่ะจะส่งผลไปในภายภาคหน้าในเรื่องของการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้านแล้วก็ดูแลภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าภาครัฐจะเห็นความสําคัญในเรื่องพวกนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังสักทีกลับมาที่หนังสือเรื่องของตำนานแห่งบางลําพูกันต่อค่ะในหนังสือนั้นก็ยังมีเรื่องเล่าแปลกๆ ที่เกี่ยวกับนักเลงจากปากน้ำโพด้วยนะคะชื่อไอย้อยไอย้อยเนี่ยเป็นเสือย้อยมีวิชาสมิงแปลงที่สมัยนั้นเรียกว่าสมิงคลาค่ะเขาบอกว่าไอย้อยสมิงคลาเนี่ยเดินทางมาจากปากน้ำโพเพื่อตามล่าผู้ที่เคยไปฆ่าคนของมันโดยในหนังสือที่เจอนะคะบอกไว้ว่า คนจากเมืองกรุงชื่อนายแขวนหรือว่าเสือแขวนขึ้นไปมีเรื่องบาดหมางกันกับพวกเสือย้อยสมิงคลาและก็พลังมือฆ่าคนของเสือย้อยตายไปสองคนค่ะเสือย้อยสมิงคลานี่เจ็บแค้นมากเลยก็เลยเดินทางลงมาจากปากน้ําโพล่องตามแพรซุงมาตามล่าพวกนายแขวนกันพวกเสือย้อยดันด้ น, ดนมาจนถึงบางลําพูเพราะเสือย้อยรู้นะฮะว่าพวกนายแขวนอยู่ที่บางลําพูก็ต้องออกตามหาที่นี่ เสือย้อยมาถึงบางลําพู2ยามเขาขึ้นมาที่บางลําพูเพราะเห็นแสงสว่างจากหิ่งห้อยสว่างพราวมาจากต้นลําพูริมน้ําเขารู้นะคะว่าที่นี่ต้องเป็นบางลําพูแน่ๆหลังจากนั้นเสือย้อยสมิงคลาแล้วก็พักพวกก็ออกตามหาในแขวนหรือว่าเสือแขวนกันแต่ว่าเสือแขวนเนี่ยรู้ตัวซะก่อนนะคะก็เลยแอบกบดานไม่ออกมาซึ่งในหนังสือที่อ่านเจอก็บอกว่าเสือแขวนกบดานอยู่ 5-6 วันก็ไม่ออกมา นึกว่าพวกเสือย้อยไปหมดล้วก็ทําทีจะออกไปดูแต่ว่าเสือย้อยกลับรู้แกวค่ะในหนังสือยังบอกว่าเรื่องราวของเสือแขวนและเสือย้อยอีกว่าเสือย้อยสมิงคลาเนี่ยรู้ว่าเสือแข่นแล้วก็พักพวกไปหลบอยู่ที่ไหนเพราะว่าเสือย้อยสามารถจําแรงร่างเป็นสมิงคลาได้วิชาพวกนี้เรียนมาจากสํานักทับสมิงคลาทับสมิงคลาเคยเป็นชื่อเรื่องตอนหนึ่ง ของอินรีแดงค่ะแต่ว่าไม่เกี่ยวเนื่องกันกันกบเรื่องเสือย้อยแต่อย่างใดนะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าใครที่เป็นรุ่นเก่าๆเคยดูภาพยนตร์ของมิตรชัยบัญชาเรื่องอินทรีแดงอาจจะได้ยินเรื่องทับสมิงคลาบีก็เลยขอชี้แจงนะตรงนี้ก่อนว่าไม่เกี่ยวเนื่องกันแต่ประการใดนะคะวิชาที่ทับสมิงคลานั้นเป็นสํานักเรียนวิชานอกเรียค่ะพวกที่เสือร้ายแถบภาคกลางในสมัยนั้นก็ตกราวปีปีของสมัยรัชกาลที่4ี่ค่ะ ก็รู้จักกันดีแล้วก็เรียนที่นี่สําเร็จก็มีอยู่มากมายเช่นกันโดยในหนังสืองานศพ บ, บอกว่าเสือย้อยสมิงคลาเป็นผู้หนึ่งที่เรียนวิชามาจากสํานักทับสมิงคลาเสือย้อยก็เลยแปลงร่างเป็นสมิงออกตามหาพวกเสือแขวนในที่สุดก็หาพบนะคะซึ่งคนรุ่นนั้นพูดกันปากต่อปากมาบอกว่าเสือแขวนกับเสือย้อยเนี่ยนัดดวลกันที่หลังป้อมพระสุเมนก็คือนอกกาแพงเมือง ในเวลากลางคืนนะคะเสือย้อยก็จะแปลงร่างเป็นสมิงคลาเขาก็ต่อสู้กันกับเสือแขวนอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างมีอาค ม, มาค่ะแต่ว่าพวกเสือย้อยที่มีอาคมเหนือกว่าก็จัดการกับพวกเสือแขวนได้จนหมดบางคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าพวกเสือย้อยทับสมิงคลาเนี่ยสามารถมารอก่อนเวลานัดพวกเสือแขวนมาทีหลังพอได้เวลาก็ดวลกันเสือย้อยมีวิชากลายร่างเป็นเสือก็ตรงเข้าตะปบพวกพวกเสือแขวน สุดท้ายพวกเสือแขวนก็แตกพ่ายหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะคะพวกเสือย้อยต่างก็ไล่ล่ า, ลาแล้วก็จัดการจนจัดการพวกเสือแขวนได้จนหมดจนรุ่งเชา้าค่ะมีคนมาพบศพของพวกเสือแขวนแล้วก็ขึ้นไปกระเด็นอยู่ค้างอยู่บนต้นลําพูบ้างตามริมเขื่อนริมน้ําริมตะลิ่งแต่ไม่มีใครพบศพหรือว่าพักพวกของเสือย้อยเลยแม้แต่คนเดียวรุ่งเช้าทางการได้รับแจ้งจากคนละแวกนั้น ออกตรวจก็พบศพลูกน้องเสือแขวนถูกฆ่าตายหมดส่วนตัวเสือแขวนเองค่ะกลับหายไปอย่างลึกลับแต่ที่น่าแปลกในที่เกิดเหตุแม้จะมีร่องรอยการต่อสู้แต่ว่าก็ไม่มีใครพบศพลูกน้องของเสือย้อยเลยนะคะไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยบาดเจ็บด้วยทุกคนเหมือนปรากฏกายมาแล้วก็หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ทางการก็พยายามสืบจับค่ะแต่ว่าได้ประสานงานไปกับทางเมืองปากน้ําโพ ก็ไม่ได้ความอะไรเสือย้อยแล้วก็พักพวกก็หายเข้ากลีบเมฆตั้งแต่คราวนั้นแล้วไม่นานก็มีชื่อเสียงเสือย้อยปรากฏขึ้นที่นี่บ้างที่นั่นบ้างแต่ไม่ช้าก็ค่อยๆหายเงียบไปอีกครั้งหนึ่งเสือย้อยแล้วก็พักพวกหายไปไม่มาปรากฏตัวอีกเลยจนเปลี่ยนรัชกาลนะคะ เรื่องราวของเสือย้อยจากทับสมิญคลาเป็นเรื่องเล่าเก่ดเก่าอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่บางลำพูที่ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องของนายเส้งบางลำพูเรื่องของนายหลี13ห้างและก็เรื่องแปลกๆอีกหลายเรื่องซึ่งในขณะเดียวกัน อาณาบริเวณบางลำพูจากสมัยของเสือแขวนก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทุกๆทีกำแพงเมืองก็ค่อยๆหายไปทีละส่วนวังกรมมืหลวงจากเจษดาที่ภายหลังถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ก็สุญสลมลงและสุดท้ายก็เหลือเพียงเศษกำแพงวังบางส่วนนะคะอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะจนกลายเป็นอาคารร้านค้าไปในที่สุดต่อมาไม่นานต้นลําพูที่เคยมีขึ้นมากมายก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปเรื่อยๆจนสุดท้าย สุดท้ายแล้วละแวกนั้นแทบจะไม่ค่อยเหลืออะไรให้เห็นมากนะักต้นลาพูที่เคยมีอยู่มากมายก็หายไปจนหมดท้ายที่สุดเหลือเพียงต้นเดียวณเวลานั้นนะคะ ต้นลําพูต้นนั้นเดิมทีขึ้นอยู่หลังโรงสีข้าวต่อมาโรงสีข้าวเลิกกิจการถูกทิ้งร้างไว้จนถูกรื้อทิ้งแล้วก็ทางการเข้ามาปรับปรุงพื้นที่จนแถวนั้นกลายเป็นสวนสาธารณนะและต้นลําพูนั้นก็ถูกอนุรักษ์และกลายเป็นลําพูต้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ที่นั่นค่ะอยู่ภายในสวนสันติชัยปราการในเวลานี้นี่เองมาในวันนี้อดีตของบางลําพูที่เคยเจริญรุ่งเรืองก็ผ่านพ้นไปแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมด แม้แต่คำว่าบางลำพูที่เคยใช้พอพานสะกดมาวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพอสัมเภลาค่ะจากนี้ไปเรื่องราวของบางลำพูจะเป็นเช่นไรอนาคตเท่านั้นที่จะบอกเราได้ก็ต้องขอบคุณเรื่องราวเก่าๆที่ไปนค้นหาเจอมานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันเป็นเรื่องของประวัตินะคะบางลำพูค่ะเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องราวของบางกระบือที่นั่นมีอะไรเป็นที่น่าร่าลือกัน ผู้คนถึงแตกตื่นและทำไมผู้คนถึงร่ำลือเกี่ยวกับเรื่องของบางกระบือต้องติดตามในอ p ีต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแลบฟังด้วยทุกทุกท่านเลยนะคะเพียงแค่เห็นคอมเมนต์ก็ชื่นใจแล้วล่ะค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้และก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้บีด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนโชคดีทุกๆ ท, ท่านมีความสุขเยอะๆสวัสดีค่ะ